เม okay. ื่อเราอมุมมืดนานเราไม่พอใจก็ตีกลับมาอยู่ในมุมสว่างมาอยู่ในมุมสว่างแล้วก็ประมาทเพ้อเลอถูกตีกลับไปอยู่มุมืดอยู่งั้นน่ะเขาเรียกว่าสังสารวัตมุมมืดแล้วอวัยภูมิแยกเป็นภูมิต่างๆสวรรค์ชั้นฟ้านรกเปรตอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุมสองมุมกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็ต้องพัฒนาไปตามลําดับ ก่การพัฒนาเมื่อมาถึงมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายต่เกิดอาศัยพบชาติพัฒนาตามลำดับอีกเพราะภูมิมนุษย์เป็นภูมิสูงสุดที่สามารถพัฒนามวนเดียวจบในชีวิตนี้เลยเพราะเขาให้สกยภาพมาอย่างสูงสุดละแต่นี้ถ้าหาเราไม่มีการเรียนรู้ไม่มีท่านผู้รู้มาบอกเราไม่ไพบท่านผู้รู้ไม่พบคาสอนของพระศาสดาเราก็มืดต่อไปอีก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 กายกับใจใช่ไหมง่ายๆแต่พอไปเรียกกรมรมฐานกายกับใจกัรูปกับนามเนี่ยมันใช่คนเราสับคนลภาษาแต่วความหมายมันต่างกันกายกับใจเนี่ยมันรวมอยู่ในรูปกับนามเช่นรูปได้แก่อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมดงนั้นกายก็คืออยู่ในหนึ่งในหของรูปเพราะฉะนั้นเราจะว่าว่ากายกับใจเราถูกเพียงเท่าไหร่สิบเอร์ซเท่านั้นเองใจมันก็มาจาก ร, ร, รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นใช่ป่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์คือใจเพราะนั้นใจก็เป็นตัวหนึ่งในหกตัวเพราะนั้นเราบอกว่าชีวิตนี้คือกายกับใจเราถูกเพียงสิบเปอร์เซ็แต่เราบอกชีวิตนี้คือรูปกับนามร0 0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 รูปธาตุหมายถึงธาตุสใช่ไหมดินน้ําลมไฟดินน้ํำลมไฟดินน้ําลมไฟทํางานโดยธรรมชาติกลไกยอย่างถูกต้องแล้วมันก่อให้เกิดอีกสองสองธาตุคืออากาศธาตุกับวิญ ญ, ญาณธาตุตัวอากาศธาตุวิญ ญ, ญาณธาตุนี่เองเรียกเป็นเป็นอากาศธาตุเชื่อมต่อระหว่างรูกกับนางพวดีกันพอมาเป็นวิญญาณก็เป็นนามแต่อากาศเนี่ยเป็นกึง่ง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 ไม่มีแล้วเพราะมันไม่ทำหน้าที่ละววิญญาณเราหายไปหนึ่งดวงเอาหูดวงอีกไม่ได้ยินเลยเลยวิญญาณดวงที่สองดับไปละก็เหลือวิญญาณแค่สี่ดวงนะแล้วนะวิญญาณก็จะดับวิญญาณธาตุนี่จะดับไปก่อนทีละดวงโลดว ง, ดวงแต่วิญญาณขันเหลืออยู่นั่นหมายความว่าตัวที่จะส่งไปที่ต่างๆเช็นว่าเราไป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 เมื่อเรามีวิญญาณอะไรต้องเกิดตามมาเมื่อเรารับรู้แล้วเนี่ยเราขาดญาณขาดตัวรู้เข้าไปกำหนดใช่ไมมันก็สร้างวิญญาณก็ให้เกิดเลยนำ ม, มารูปอ่าเห็นไมมาต่อกันเลยก็คือตั้งต้นความคิดหลักนำ ม, มารูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้เนี่ยการให้ความสาคัญในการระวังตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมากขึ้น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 มันถึงจะว่ามีชีวิตยอยู่จริงเพราะนั้นเด็กก็เลยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ตั้งแต่แรกคือเอาแวแหวนคือความทุกข์อันนั้นเวลาเราไปปฏิบัติ เ, เราจะบอกว่าคอนเสิร์ตแต่หมายถึงว่าตัววิญญาณที่เป็นธาตุทานั้นแต่ตัววิญญาณที่เป็นขันเนี่ยทางตะวตันตกแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเรามาใช้สเปรดไอ้สเปรตของเขาข้าหมายถึงเป็นลักษณะโศใช่ที่มีตัวตนอ่า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 ความเข้มข้นของสัญชติญาณหรือความเคยชินเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนให้เป็นปัญญาญาณเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งต้นเจริญสติเจริญสัมผัะให้มากขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนตัวสัญชาตญาณให้เป็นตัวปัญญาญาณและตัวปัญญาญา น, นี้มันก็จะไปรู้เท่าทันการกระทบแล้วก็แยกเลือกในส่วนที่ต้องการใช้ที่จาเป็น อันไหนที่ไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์มันก็แยกทิง้งได้แต่ถ้าเป็นสัญชตาตญามันเลือกเป็นไหมมันร่ำบดทั้งดีทั้งเชื่อทั้งถูกทั้งผิดคนถึงสุขทุกทุกไงพ่อทำตามสัญชตาตญาณมากเกินไปถ้ามีปัญญายาณขึ้นมาบ้างรู้จักเลือกเออคนนี้มิตรดีคนนี้มิตรไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเลือก อ, อันนี้อาหารดีอันนี้อาหารไม่ดีรู้จักเลือกเกิดปัญญาขึ้นมาละอันนี้อารมณ์ดีควรจะใช้อันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ควรใช้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 มันก็จะมีการแยกเกิดขึ้นทันทีเลยนั่นคือเป็นเหตุของทุกข์พอนามารูปน ะ, ะนั้นในแง่ของการปฏิบัติเราฝึกฝนตัวสติสัมยะให้รู้เท่าทันรูปนามก่อนถ้าเราไม่ฝึกฝนให้รู้ทันรูปนามเราจะไปรู้ทันนามรูปได้ไหมไม่ได้รู้ส่วนส่วนที่ยบอยากรู้ทันรูปนามก็รู้ทันเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็ ง, งตึงที่เรามีอยู่เนี่ยให้ชัดชก่อนรู้ตัวนี้ให้ชนานาญ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 ไม่มีค่าเลยมือถึงเท่านั้นแต่มันจะมีค่าว่าเราใช้มันเป็นเราฝึกรู้รูปนามรู้การู้ใจเนี่ยเราต้องใช้เป็นพอใช้เป็นปั๊บโอ้มันก็ททำได้มากขึ้นใช่ไมทำได้ถูกต้องขึ้นก็ได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ความหมายของมันดู ด, ดีมากทีเดียวโยมเคยได้ยินคาว่าหมาโรยไหมใช่นั่นแหละพวกนี้สัตว์ชั้นสูงหมายถึงวพวกนี้เคยเป็นคนมาก่อน